นาหนาวเนี่ยมืดเร็วหกโมงก็มืดว่ะบ้านกลับจากยะโสแม่ น, น้องพ่อไปยะโสกาเวียมหลวงปู่สวงออกจากวัดหลวงปู่เที่ยงก็กลัวเนี่ยลนะ่ะ ครับไปถึงว่างสามหมอล่งออกสว่างพ่นไปซองดาวสว่างเยี่ยมเมืองโูเผื่อนพ่นเรียมงานหลวงปู่เผ็ดงานศพวายเพิ่งศพหลวงปู่เพ็ดครับหอดวัดมืดพอดี นี่มันเป็นฤดูหนาวกลางวันกลางคืนมันเท่ากันมองมองมันเมิดไปวัดไอ้นั่นวัดน้องแคดง ถ้ำบุญ72ปีหลวงพ่อโมวอนอาจารย์โมวอนเป็น72ห อ, อย่าญโนม้มก็นนี่แล้วเกี่อว่ายสายหลวงปูใหญ่หลวง <laughs> ปูสี่าญโงมกับไปหลายพระกับหลายพระเกือบสองร่อยพระ ไปย่อมุตเามากหลงปูนมากพป็นเทพพระพระก็ะมี่พระก็ะมี่แะก็ะมี่แมะกินกะมี่พันเทพเลยนะอันมีตีนบาทพระเสียเวยมีพระเป็นลักตีนบาดตีนบาทตีนบาทซุ้มเพชรดีๆนะจาจไม่แจนค้ำ นี่พระกษสิอยากได้บอกเฮ้ยติดรักก็ไปขายต้อก็ไว้จังแล้วตีนบาทเชิงบาทท่ำด้วยไม่แค่นขา ม, มันอันละแปดพันอันละมื่นเห็นไหมรักก็ไปขายก็ไว้จังเศร้าม า, ากหลวงปูมันจับคนในเนยนเ็นคนเทศพระก็มี่แพะก็มี่ แม่กินก็ไม่บวชบวชเลนบวชล่องบวชรักบวชรีบวชเรนบวช ล, ล่องไลไปแล้วเรื่องบวชเลยไม่เป็นกันเทศหลวงปู่เป็นเดทบาง คงบางโมมันมีห ม, มเดมีเป็นกลุ่มเดถ้าว่ามีงานบาเลยไปแต่ยิวัดยายว่วัชนที่ก็ว่ากัยังมีวังกระถินอะ่ะ น, นี่เขาไปแบบหมดเศร้ า, ามากกหาของเงินน้ำย่อมที่ไปทำบุญของเงินอานั่นข้านี่อนนันเพราะมี น, นี้เพราะมีเสรแล้ว นี่แน่นันกับมีนกับมีมาจะไรล่ะอันแน่ววันนี้นก็ไดนี่น่าะขังพระพุทธเจ้ากันล่ะบวชเห็นวาการบวชมี่ผู้เลีมใสมีมลาส ก, กละถ้าเขามาบวชคนจะได้จัดเป็นจำพวกอรชีผู้ไม่มีความละอายที่บวชบวชเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ ตามธรรมตามวินัยตามค้อสอนของพระพุทธเจ้ามอได้บวชจะประฤอบปฏิบัติเพื่อท่าที่สุดแห่งทุกมาได้บวชหวังเพื่อจะปฏิบัติให้พ้นทุกเกิดแก้เก็กเบตายพ้นทุกน์ในวตาสงสารหวังแค่หลาบสักกะละ อยู่ได้กินได้เรียงชีวิตอายุ ข, ของพระเจ้าโสมมหาราชแห้งหลายลมีพระอรชีมีผู้ปลอมบวชพวกรัทธพวกนักบวชลัทธิอื่นรวมปลอมบวชในพุธตาศาสนานี่มีมากเพราะพระเจ้าโสกมหาราชเป็นมีศรัทธา อุปธรรมบำรุ่งพุทธศาสนาตั้งงบประมาณไว้ม า, ตากตั้งกองเงินกองใหญ่ข้างกองกลางไว้สำหรับอุปธรรมพระทากพระสงองค์เน้นในพุทธศาสนามากเพราะฉะนั้นก็มีหัว เอาผ่าเลี้ยงเอาอย่างโกนผมผมผ่าเลี้ยงเหมือนกันเพื่อเสด้รับข้อมอุปธรรมบำรุงและข้อมพระพืชปฏิบัติว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามมักแปดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ อันก็ถิงนี่เรียกว่าแสกแท่งกันนี่นก็เป็นเหตุให้ผู้ที่พอเข้าใจ น, นี่ก้อมเห็นร่วมไปแล้วโอ้นี่พะระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าประพุทธปฏิบัต บอรประพฤติปฏิบัติตามแต่วพระบุคคิของพระพุทธเจ้าทํำไปยังนี่ละไปเหมือนกับเศ้าบ้านศ้าบ้านแต่กว่าเศ้าบ้านผู้ที่นี่ศีลนี่ถ้ำนี่ข้อวัดปฏิบัติยังยังดีกว่าผู้ที่โกนผมหมผ่าเหลือง มันก็นมีมาเตอของแฉ่ของปลอมสัทธมปติลูกเป็นนื้อหลวงปูป่ใหญ่หลวงปู่ไซว่านผู้บุญจันทร์ที่เป็นเทพเนี่สัทธำบติรูกคือผู้ปลอมของปลอมของปลอมเมื่อ ผูประพฤติปฏิบัติย่างปลอมโยนธรรมะของพุตตเจ้าก็เลยถึงแม้จะเป็นคำสอนเพื่อปฏิบัติไปสู่ความจริงไปสู่สัจธรรมตามเป็นจริงก็ตามเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติปลอมโยกได้สัจธรรมก็เลยปลอม เป็นวัสธรรมปฏิลุกของปอมเป็นพระกับพระปอมธรรมะเป็นธรรมปอมเพืออปฏิบัติปอมมาสอนปอมปอมต่อกันไปอีกนี่มันทำนี่มาจัางสิคี่แบบของจริงเป็นอย่าง ของกินศัจธรรมขอ ง, งกินมรรคแปดีลสมาธิปัญญาศรรีลก็คือความการควอบคุ้มกายว่าจาแล้วก็ครอบคุ้มใจมันออกมาออกมาจากใจนีใจเป็นมหาเหตุใจเป็นฐาน แต่ว่าในเมื่อยังไม่เต็ประพฤติปฏิบัติยังไม่ได้นำอุบายวิธีที่ถูกต้องที่พุทธเจ้าส่งสอนไว้มาํำระมาล่างสิ่งที่ปลอมออกเท่ากันที่มันปกคลุมอยู่กับใจ ก็เลยยังบมมียังบมเป็นของจริงพระสารถจึงเอาอุบายอุบายความจริงอุบายที่จะประพื้นปฏิบัติเพื่อเขาไปสู้ความจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนผู้จะประพฤติปฏิบัติก็เป็นตัวของบุคคลแต่ละคนเองจะทำให้จริงขึ้นมากจึงต้องอาศัยจากคําสอนสัก่อนมาปฏิบัติ เพื่อให้เขาสู้ความจริงพระพุทธเจ้ายัางสอนศีลคำว่าศีลก็คือความสังวรความสำรวมความสังวรหรือเจตนาเจตนาในการที่จะรักษาระมัดระว่างสำร่วมระว่างต่อกาย ว่าใจาใจเมื่อมาลงมือปฏิบัติเมื่อมีสังวรธรรมมีศีลสังวรมีความสำร่วมมีสติสำร่วมรอบรูอยู่กับกายว่ า, จาใจใจแปว่าสังวรใจสำร่วมใจสำร่วมกายสำร่วมว่าจา เนื้อมีข้อมสมร่วมว่าจารสมร่วมกายสมร่วมใจมันละเอียดละเอียดมันร่วมล่งสู้ใจร่วมลวงสู้ใจเป็นปัญญาอืเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสติลงสู้ใจสมาธิลงสู้ใจเกิดปัญญาเข้าใจไหม กายนว่าจานจิตตามเป็นจริงเหรอนั่นมันจึงจะลบล้างของปลอมที่สาบท้ายุ่กขับใจออกไปจึงจะเป็นความลูกจริงเห็นจริง รู้ทุกตามเป็นจริงรู้อันนี้จังข้อมเปลี่ยนแปลงรู้ทุกขังรู้อนัตตาธรรมทั้งหลายจึงจะประชุมร่วมลงสู้ข้อมเห็นตามเป็นจริงคืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันจึงจะเป็นศีลยังจะเป็นศีลแท้ จากศีลสังวรศีลสำร่วมกลายมาเป็นศีลแท่เป็นข้อมบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยอาสวะด้วยความหลงนี่เรงต้องว่าปฏิบัติตามข้อสอนที่แท้จริง ความสังวรกายสังวอว่าจา่าสังวอนใจความสังวรต่อเนื่องกันจังสติต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเองร่วมเขาเป็นสัมปชัญญะเองร่วมเขาเป็นสมาธิ พิจารณาวิโทกวิจารณ์คนขว่อน่ลูกคนขว่ในายกายคนขว่อนาความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นสัมผัสกับกายสัมผัสกับใจคนขว้าความจำได้ไม้รูกคนขว้าความปรุงแตง่งคนขว้าความรับสราบ เหาวิ่งานในค้นหารับทราบในอายตนาหกเห็นสัญญาตามเป็นจริงเห็นสังขารตามเป็นจริงเห็นวิ่งย่านตามเป็นจริงเห็นรูปรูปรูรูกายตามเป็นจริงรูปสุกรูปทุกรู เฉยๆเดี๋ยวเวทนาตามเป็นจริงเดี๋ยวเป็นควอมสว่างเป็นควอมรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าความรู้ความเห็นอยากปัญญา <c oughs> เห็นควอมจริงตามเป็นจริง ควา ม, มืดก็บ่มีก็ ม, มืดบ่มีข้อมหลงว่านั่นว่านี่ก็บ่มีอย่างเดียวว่ารูปธรรมะตามเป็นจริงรูปรูปตามเป็นจริงรูปสัญญาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงรูปจิตตามเป็นจริงรูปผู้รูปรูปทา่ารูปตามเป็นจริง เห็นมันยังงสินังสิพนถุกมันจึงจะพ่ามีเหตุปจัจใจว่ามีเชื่อที่จะมาชาบท่ามากเนียวรังให้หลงรูปหลงน้ำว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจึงจะเห็นป้อกิ่งของจะรละยางละยางไ วามลูจึงจะลงสู่ธรรมชาติลูที่ไม่มีสิ่งเสียผลสิ่งเกือบแฝงจิงเรียก ว, ว่าลูละลูว่างลูว่างลูค้อจริงตามเป็นจริงทั้งละทั้งว่างทั้งว่างมันก็อยูใ่ในจุดเดียวกันนั่น มาวางคือว่าวางจากข้อมลงมีแต่ข้อมลูกตามเป็นจริงการปบบพุทธรรมปฏิบัติรรมตามข้อมมุ่งหมายตามข้อมประสงค์ของพระพุทธเจ้าถ้าหาว่าผู้มุง่ง มีความมุ่งหมายและเดินตามเส้นทางไปสู่ความจริงย่างเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นพระแท่เป็นผู้ปฏิบัติแท่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแท่จริงจึงจะได้เสื่อเข้าถึงท้ำถึงวินัยถึงข้สอนของพระพุทธเจ้า ยังจะเป็นปัจจตังรูเองเห็นเองรูเหตุรูปผลรูปความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์ให้ในจิตใจจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือเดินตามเส้นทาง ไปสู่ความสิ้นทุกมดทุกอันแท้จริงนะทุ่มกละทำบ้าน ถ้ามันยังไม่ขาดส ก, กายทิธิคือความเห็นยังไม่ชอบมันก็รูปรูปคำคำก็สงสัยรูปคำก็รูกคำในกายนั่นแหละสงสัยก็สงสัยในกายเมื่อมันเห็นความจริงเลรออันนี้ว่าทิฐิก็คือความเห็นเห็นกายตามเป็นจริงเห็นกายว่าเป็นธาตุสัพเพิยงแต่ว่าธาตุ วิกิติษาก็ขาดไปพร้อมกันศิลป ะ, ะปรามาตก็ขาดไปพร้อมกันนนจึงว่าประชุมลงในขณะกิจที่มันเห็นความจริงว่าโอ้ยกายนี่มันเป็นธาตุสังโยชน์เบืองต่ำขาดเมื่อเห็นความจริงอันนี้แล้วก็มาดูในส่วนสมมุติ ให้ส่วนยากคือศีลที่นี่มันไม่ได้รักษายากด้ที่นี่ที่จะไปฆ่าจิตที่จะไปยินดีไปโกรธไปเกลียดไปฆ่าไปทำลายชีวิตของผู้อื่นด้วยความหลงด้วยความโกรธด้วยความกลัวอะไรมันไม่มีการฆ่าการทาลายชีวิตของผู้อื่นทาลายด้วยความโกรธทำลายด้วยความกลัว อย่างว่าเราเห็นสัตว์มันมีพิษมีอะไรก็กลัวกลัวมันจะมากัดมาขบตัวเองหรือผู้อื่นตายเขาฆ่ามันจะ้ะเขาไม่ได้ฆ่ากินเนื้อกินหนังมันด้วยเดี๋ยวกโยมผู้หญิงยมไม่ออกบางคนกลัวมแมลงบุ้งเนี่ยกลัวตัวหนอนกลัวมแมลงบุ้งขยี้มันจะ้ะเรียกว่าฆ่าเพราะความกลัว แรงสาบหรืออะไรก็แล้วแต่แลวะว่ามันจะนำเชื่อโลกอย่างน้นอย่างนี้กลัวพราฆ่าเขาทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นเพราะความกลัวเพราะความโกรธความเกลียดความไม่ชอบแล้วจะทำลายเมื่อกินมันประชมลงสู่ความรู้ความเห็นในกายนี่ไม่เป็นเราไม่เป็นเขามันก็ เห็นสัตว์อื่นเหมือนกันสัตว์อื่นบุคคลอื่นเหมือนกันก็ราด้านสีห้าข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์โดยไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องในรักษาข้อที่สองเหมือนกันที่สามเหมือนกันที่สี่ที่ห้าเหมือนกันท่านจึงว่าดูภายนอกคุณธรรมของพระ อ, อริยะเจ้าเบื้องต้นคือศีห้าบริสุทธิ์ สินห้าบริสุทธิ์ธรรมห้านันก็มีด้วยกันเมตตาสัมมาสีวะกามสัมมาตาสัจจะความจริงใจสติสมบูรณ์ว่สาสัมมาสติมีสติมากมีสติก้านี่คุณธรรมของ อเรเจ้าชั้นแรกและสังโยชสามโสวดบาลพระสกีทาคาละสังโยตห้าปฏิฆะข้อมุดญหญิตในจิตไม่มีเพราะมันมีสมาธิเพราะมันมีสมาธิมีปัญญาที่พอรู้เท่ารู้ทันถึงแม้ว่ามันยังไม่ถอนอัตานุทิพติ ความเห็นว่าตัวตนหรือว่ า, าความยึดในส่วนอื่นมันยังมีอยู่มันมันก็ปล่อยวางความเป็นตัวเป็นตนได้ไม่เป็นปฏิฆะความหมดหิดของจิตไม่มีไม่มีราคะความกำหนัดในในส่วนอยาก กำหนัดในรูปในเสียงอันไม่มีละอนาคามีท่านหมดปัญหากับความกำหนัดจินดีกับรูปกับเสียงแต่มันจะไปเหลือนนเหลือความกำหนัดละเอียดีว่าความความหลงยึดหลงติดในฌานในญาณในความสงบความสุข ในฌานในสมาบัติไม่เสียถ้าถ้าสติมันมันต่อเนื่องกันแล้วเพราะถ้ามันเป็นสมาธิสมาธิจิตได้สิในหะ้เสียถ้าสติไม่เผลอ สติไม่เผอแต่ไอัยมันมันเสียตรงที่ว่าที่เราจะอัดูเวทนามันถึงที่สุดเท่านั้นแหละถ้ามันปวดเจ็บมากๆแล้วเราเปลี่ยนมันจะเสียอ น, นี่ไม่ถือว่าเสียสมาธิในความหมายที่ว่าสมาธิความตั้งมั่นแต่ว่ามันจะเสียสมาธิความตั้งมั่นใน ในความที่เราจะรู้ที่สุดของเวทนาเนี่ยเ <c oughs> พราะฉะนั้นจะให้จะให้มันแน่วแน่ว่าสมาธิมันถึงที่สุดคณิกะเนี่ยคุณก็ยังบอกว่าคณิกะสมาธิเนี่ยแบบนี้มันได้แค่สมาธิ ข้างแห่งข่าวอันนี้กสะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิความแน่นแฟน่นความละเอียดของสมาธิข่านอัปปนาสมาธิที่มันวางที่มันวางหมดวางกายวางความรู้สึกสัมผัสที่ท่านบอกไว้ว่าแม้แต่ป้าผ่าก็ไม่ได้ยินเสียง นีค่ครบาอาจารย์ท่านเล่าเจรักิตจิตมันเข้าอนปนาสมาธิเนี่ยเขาตีหัวเนี่ยมันก็ไม่เก็บมันไม่รู้สึกเก็บอย่างหลวงปู่สามที่ท่านไปภาวนาอย่างจิตของท่านเข้าเนี่ยอนปนาสมาธิเขาเอาก้อนอิดก้อนหินฟ้องใส่เนี่ยมันไม่ถอนจิตมันไม่ถอนอันไม่รู้สึกเก็บนูน้นจนพอมันถอนออกา่าทำไมมีเลือดมีอะไรเนี่ย ถึงถึงมาเก็บมาบอบช้าเนี่ยอันเดียว่าอัอนปนาสมาธิกิจที่มันลงในในพวังสมาธิอันแน่นแฟ้นที่มันก็เป็นผลที่ในเมื่อมันถอนออกมาอยู่ในอริยบทธรรมดาเราเคีื่อนไว้ไปมาคือมันจะไม่ ไอ้จิตเมื่อมันมีสมาธิแน่นแฟน้นมั่นคงแล้วมันจะไม่สายแสกับอารมณ์กับสิ่งกระทบอะไรต่างๆมันจะมันจะมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นละที่ว่าเมื่อมีสมาธิแน่ๆมันจะมันจะมันจะละความโกรธมันจะละความโลภ เบาบางไปได้พืแต่ก่อนที่เราไม่มีสมาธิเราไม่ได้ฝึกธรรมะเนี่ยมันมีอะไรไมันก็จะโกรธเรวโกรธเลี้ยว ม, มีความโกรธเป็นเจ้าเรียนเจ้าบ้านร้อนวู้รื่อแต่พอกิตของเรามีสมาธิกิตมันเป็นผลเข้ามาสู่กิตของเราแล้วมันจะเปลี่ยนเปลี่ยน จนละเอียดเข้าไปก็เหมือนกับว่าเ อ, เ, อเราเนี่ยมันไม่มีความโลภมันไม่โกรธอะไรนั่เนี่ยแหละน้องทีมันจะสําคัญว่าเอมันหมดมันหมดมันสิ้นแล้วก็ได้แต่ว่ามันยังมีละเอียดอยู่มันจะต้องไปทําลายความละเอียด่ด้วยปัญญาแตยก่อนไ ม, ไม่ใช่ทําลายด้วยสมาธิด้วยฌาน ทำลายด้วยปัญญานั่นแหละมันเขาไปมันไปลู่สภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงเรียกว่าประชุมรวมเป็นสมาธิปัญญาเห็นชอบนั่นถึงเรียกว่ามันไม่มีเชื่อนัอนก็นว่าดับไฟสนิทแล้วในกิจนั่นในผู้ลู้ลู่นั่น มันมันก็เป็นมันเป็นผลต่อกันทั้งสัจจะทั้งอธิฐานานะเพื่อจะให้มีความแน่วแน่ของของบา ร, รมีสิบอย่างเนี่ยบา ร, รมีสิบอย่างรวมเข้ามารวมเข้ามาสั้นๆจะให้ สีละบารมีสมาธิบาลมีมันก็รวมอธิษฐานสัจจะเข้ามาสมาธิบาลมีปัญญาบารมีมันจะรวมมาสามบารมีสิบจะรวมมาสามรวมมาสามแล้วมาสุดยอดอยู่ตรงปัญญาบาลมีนั่นล่ะเมื่อปัญญาแจ่มแจ้งหมดแล้ว เรียกว่าทำลายความมืดทั้งหมดแต่อาการของมันก็เวลาเราอาศัยสัจจะความจริงใจเนี่ยเมื่อมันมันตั้งลงแน่ๆมันก็สละตายได้สละการที่จะทำบาปทางกายทางวาจาได้อธิฐานอธิฐานบา ร, รมี อาศัยสัจจะความจริงใจเออมันถ้าเราถ้าเราทอดทุเลสัจจะบาเมะเนี่ยมันก็จะมันก็จะเสียไปอย่างเราตั้งสัจจะเรื่องภายนอกอะไรมันก็เกี่ยวข้องกันขั้นเข้ามาขั้นเข้ามาภายในเรื่องจิตเรื่องภาวนาน เราตั้งสัจจะไว้แล้วเราจะสู้ตายเราจะไม่ขยับขยียน้นถ้าเราขยับขยียน้นมันก็เสียสัจจะแล้วความจริงใจก็ไม่มีมีอารมณ์แห่งสัจจะมาเป็นมาเป็นข้ออ้างมาเป็นตัวคม่มก็มาเป็นการเพิ่มกําลังสติอีกอเอาเราอธิษฐานไว้ดีแล้วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านอธิษฐาน ถ้าหาว่าไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมะทั้งหลายเนี่ยหนังร่างกายจะเหียดแห้งไปนี่เป็นอธิฐานนะเพราะฉะนั้นพลังแห่งอธิฐานกับสัจจะมันมันจะต่างลักษณะกันอย่างนี้แต่สุดท้ายมันจะรวมเป็นอันเดียวกันรวมเป็นอันเดียวกัน <c oughs> จะทำให้เราเอาชนะทุกหรือว่าจะผ่านทุกจะรูปทุกใหญ่ไปได้ตายต้วมันเอาตายนะตาย อย่างว่าเอาเราจะนั่งหรือว่าเราจะจะเดินเดินให้ตายมันก็จะผ่านจะลู่เรื่องเวทนาทั้งหลายมันก็เหมือนกันแหละที่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันก็เวทนานเดียวกันแ่ะ <c oughs> เวทนาเกิดเพราะความอยู่ในอิรลียบทเดียวนานๆมันเดียวกันทุก เหมือนกันทุกอันเดียวกันนอนนานๆกัทุกอันเดียวกันเดินนานๆก็ทุกอันเดียวกันนั่งนานๆก็ทุกอันเดียวกันยืนนานๆกับทุกอันเดียวกัน <c oughs> ทีนี่ไอเนีท่ทีนี่ไอตัวสําคัญน่ะให้เราตั้งอธิฐานนะ ตั้งสัจจะลงในการที่เราจะจะมีสติเราจะทำสติความระลึกลู้นี้มันต่อเนื่องต่อเนื่องกันอยู่กับอิยาบทนี่แหละอิยาบททั้งสีน่นี่คือคือฝึกตัวนี้เพราะว่า เพราะการฝึกเนี่ยของเราบางทีบางทีมันมันจะไม่ได้เลยทีเดียวนยีมันก็เหมือนกันกับเขาฝึกภายนอกเหมือ น, มนกับฝึกกาลังเาฝึกกีฬาต่างๆเขาเพื่อจะให้มีความแข็งแกร่งอย่างว่าการวิ่งจะให้วิ่งวิ่งได้นานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือว่าฝึกยก น้ำหนักอะไรเนี่ยเขาก็จะฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆเรื่อยๆเรื่ยเยนี่ยพลังอะไรมันยังจะเพิ่มกันนี่กำเืินกันเราฝึกต่อสู้กับทุกขเวทนาไอ้ข้อสำคัญว่าให้ให้ฝึกไอ้ตัวสติกับจิตกับผู้รู้กับคำวิริกรรม ม, มันมันมันไปหมดของมันละเพราะว่าธรรมะเนี่ยคำว่าความรู้ความเห็นหรือความเป็นเนี่ยมันไม่มีอิรียบทเมื่อมันประชมกันลงเนี่ยมันจะได้ไปถึงที่สุดไปเลยก็ได้ป <c oughs> ัจจาระสมาธิ อปปนาสมาธิมันจะเป็นเราเดินจงเดินอยู่นี่แหละเดินยองกลอยู่นี่มันก็ลงของมันได้แต่เมื่อมันลงเนี่ยมันยืนเท่านั่นแหละมันจะไม่เดินต่อถ้ามันลงแบบอปปนาสมาธิแหละมันก็จะยืนแน่ยอั น, นี้อั น, นี้หมายความว่ามันเข้าไปสู่สู่ฐานของอปปนาสมาธิ ตามสมมติที่ท่านว่าจิตมันลงสู่ความสงบแนบแนบ่นแต่ถ้าสมาธิอัปปนาสมาธิในส่วนที่แบากำลังความมั่นคงของจิตเนี่ยเราจะเดินยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรมันก็เป็นของมันอันมันมันจะไม่แยกอันนี้อันนี้แยกอาการที่พูดเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้นนมันมันความเห็นของเราตามอาการที่ท่านบอกที่ท่านบอกไว้ว่าคณิกะสมาธิมันสงบชัีวคู่เสี้ยวขณะอุจจาระสมาธิสงบเข้าไปแล้วมันไปลู้อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องว่าไปลู้เห็นนิมิตอะไรเกิดขึ้นส่วนอัปปนาสมาธิมันจะไม่มีนิมิต มันจะแนวสว่างลู้อยูอ่นเดียวอันนี้อันนี้อาการอาการที่มันเป็นในวิถีนี่แต่ที่เน่ขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเกี่ยวกับปัญญาเนี่ยมันจะมันจะรู้จะเห็นจะรู้เห็นละเอียดอัปปนาสมาธิ ผู้กับปัญญาเนี่ยมันจะเห็นละเอียดปัญญาเนี่ยมันจะเห็นทะลุความจริงจนวางสมมุติแยกสมมติวิมุติได้คือวิธีวิธีที่มันเป็นตามความจริงของมันมันจะไม่มันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเหมือนความความคิดความเข้าใจของเรา เหมือนกันเหมือนกันกับเราเราทานอาหารเรารับทานข้าวรับทานแกงกับน้ําอะไรมันมันเข้าไปพร้อมกันเนี่ยเวลามันอิ่มมันไม่ได้เส้มันไม่ได้ว่ามันอ่าอ่อันนี้มันอิ่มข้าวอันนี้มันอิ่มแกงมันมันอันนี้มันอิ่มอันนั้นอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาเข้าไปเป็นระยะระยะพร้อมกัน เวลามันอิม่มก็คืออิ่มมันเดียวแต่ว่าในขั้นในขั้นเรื่องต้นที่มันไปอย่างแค่ว่าธรรมดากิตของเรามันไม่ได้เราไม่ได้ฝึกให้สติมันจอ่อมันต่อเนื่องกันแล้วกำหนดมันก็จะมันก็จะมีความสุขความสงบ มันแน่วส้วขณะเดี๋ยวมันก็ไปอารมณ์อันนู้นอันนี้อีกอกําหนดเอาพุสึกว่ามันสบายส้วขณะแต่พอเราถ้าเรามาฝึกภาวนาบริกรรมให้มันต่อเนื่องหรือจะกําหนดอันใดอันหนึ่งหรืเป็นอารมณ์เนี่ยให้มันต่อเนื่องกันท่านเรียกว่าสติกับจิตไม่ให้ภาคยา ก, กัน ที่นี่อาการที่มันปรากฏขึ้นที่มันสัมผัสกับใจเราว่าใจของเรามันเบามันสบายหรือว่ามันรู้ละเอียดมันรู้อาการต่างๆละเอียดมันจะเป็นของมันเองมันจะเป็นของมันเองอันนี้เราจะรู้เราจะรู้เองที่มันเปลี่ยนวาระของมัน เปลี่ยนยาวหรือเปลี่ยนสั้นเ น, นี่ยมันแล้วแต่คือความรู้ที่มันหายสงสัยเนี่ยมันหายสงสัยที่มันตัดความสงสัยมันก็เหมือนถ้าถ้าอุปมาเหมือนกับเราศึกษาเรี่อวิ ช, ชาอะไรวิทยาศาสตร์หรือ นี่แหละศึกษาเรื่องสมมตุติความเป็นอยู่ของเราเหมือนอย่างเอาอย่างเรามาฝึกบวกลบคูณหารเนี่ยว่าคูณหารแบบไหนที่มันถูกมันถูกตามความเป็นจริงลบบวกลบลบที่มีเศษหรือไมเ่เศษอะไรไเนี่ย เราลบเลขอะไรถ้าถ้าถ้าเราทําถูกพอมันแล้วมันไม่มีมันไม่สงสัยแล้วก็มันก็ไม่ผิด <c oughs> แต่ทําไม่ถูกเนี่ยแต่ไปเข้าใจว่ามันถูกอยู่มันผิดอยู่นยะมันมีความผิดอยู่นะั่นเพราะอย่างอย่างเพราะฉะนั้นอย่างว่าเขาคิดเงินแล้วบวกเงินบวกลบมันถึงผิดมันถึงผิดอของนี่ราคาเท่านี้แต่พอเราทําผิด มันก็จ่ายให้เขาไปผิดอันนี้มันจะมีความผิดอยู่ในตัวของมันในเรื่องสมมุติอ น, นี้ก็เหมือนกับหยาบๆเนี่ยทีนี้เรื่องความรู้ความเห็นในธรรม ะ, ะเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงถ้ามันถูกของมันแล้วมันจะไม่มีสงสยัยจะมีสงสยัย มันมันมันมีแต่จะเบาจะหายทุกไปเรื่อยหายทุกไปเรื่อยถ้ามันยังมีความสงสัยกรรมวากังวลกรรมวาอะไร น, นั่นมันยังไม่ถูกยังไม่ถูก ไ ม, ไม่แก้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้คืออ น, นั้นให้รู้ความจริงของของสิ่งที่แปรปวนที่เคลื่อนไหวถ้าถ้ามันอยู่ในการการดูการพยายาิจารณามันก็จะลงสู่ความไม่เที่ยงจะไปรู้ก็ไม่เที่ย ง, มมยงในไตลักษณะสาม ไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยังไม่ละเอียดมันยังไม่ประชุมลงเป็นความเห็นที่ประกอบด้วยยานคือทั้งรู้ทั้งเห็นตามเป็นจริงแล้วก็ต้องใช่นี่แหละและต้องภาวนาต้องปฏิบัติไปนี่ในส่วนนี่ในส่วนสมาธิเราฝึกซ่อมฝึกซ่อม ก็ไปเรื่อยเหมือนกันไ ม, ไม่แก้ไม่แก้เวลามันไปเห็นอยู่ไม่แก้แต่เวลาจะให้มันอยู่อันนี่ก็ต้องให้มันอยู่อันี่เนี่ย เอานี่จะจะให้มันอยู่อันนี้ไม่ให้ไปที่อื่นแหม่ก็ต้องเอาให้มันเนี่ยจนรู้ว่ามันแน่วอยู่อันนี้ได้ถ้าจะเอถ้าจะไปเอาแต่อันนั้นเรื่อยๆก็เรียกว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ลงถึงที่มันตอนท่านถึงว่าที่องค์หลวงตาท่านสอนท่านบอก เวลาพิจารณามันเป็นการเดินปัญญาก็ให้ใช้เวลาที่มันมีสภาวะที่เกี่ยวกันแต่เวลาจะให้มันอยู่อารมณ์มันเดียวเนี่ยก็ต้องเอาให้มันอยู่อันนี้นทีนี้เมื่อมันเมื่อมันได้มาตรฐานของมันแล้วมันก็จะใช้เป็นคู่กันไปแหละ สมาธิปัญญาสมาธิปัญญาใช่คู่กันไปคู่กันไปเอาทีเรียกเวลามันเวลามันเล่งมันเข้าได้เข้าเข็มกันจริงๆอิงอมันเป็นที่ท่านว่าภาวนามายะปัญญาคือเรื่องปัญญาเนี่ยมันจะมันจะหมุนละเอียดของมันอไอสมาธินี่มัน มันมีฐานมันมีฐานเต็มของมันอยู่แล้วคือมันมีอยู่ในตัวของมันนั่นแล้วความไม่วอกแวกความไม่ความเป็นอิสระของจิตในขั้นสมาธิมันมีเป็นเป็นตัวหนุนของมันเพียงแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันจะละเอียดไปเป็นภาวนามยาปัญญาเป็นปัญญา ที่ต่อเนื่องที่แนวแน่แนบแน่นน่ะไปจนมันรู้มันวางธุระด้วยความเห็นตามเป็นจริงของมันมนั่นมันก็มีเท่านั้นแหละม่มันรู้มันวางด้วยปัญญาที่ท่านเรียกว่าความเห็นชอบ เห็นชอบในขั้นสุดท้ายเห็นสมมุติเห็นธาเห็นสมมุติตามเป็นจริงถ้ามันยังไม่เห็นถึงที่สุดมันมันก็หลงสมมุติอยู่มันก็มีมันก็มีทุกข์อยู่ <c oughs> มีทุกข์ในจิตอนั้นะ อาวนาไปอย่าไปคาดตัวนั่นให้เอาตัวนี้ให้เดินมัน่กนี่สู้กับความขี้เกียจขี่ข้านความไม่มีความเพียรนี่แหละสู้อันนี้ไปเมื่อมันเข้าเส้นทางของมันมันก็นไปของมันเรื่อยเรื่อย สิ่งว่าไม่เส้นใช่ เ, เรื่องลักษณะใช่ปัญญาใช่ปัญญารู้ทุกมันละ่ะอันนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นอ มันจะเป็นอุบายของสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอุบายอุบายของสติปัฏฐานสี่หรือว่าที่ตั้งของความรู้ที่ตั้งของความรู้ความระลึกรู้ที่ตั้งของปัญญาทำปัญญาใน กายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างนี่แหละมันมันก็มาเข้ากับเวลาเรานั่งสมาธิมันเจ็บปวดมากๆหรือว่าเราเดินภาวนาเดินยงกลมเดินภาวนาเนี่ยมันก็เหมือนกันลหละกับเรานั่งเนี่ยจะทุกข์มันขึ้นเต็มที่มันมันไม่ได้สบายเหมือนความคิดเราหรอก ที่เราคิดว่าเออนั่งเนี่ยมันเออเดินมันจะสบายกว่ามั้งมันจะไม่ทุกข์มากมันมันก็ทุกข์อันเดียวกันนั่นแหละทีนี่มันมันก็มาเข้ากับว่ากายเวทานาจิตธรรมมาเข้ากับอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าว่าทุกข์ควรกําหนดรู้ท่านไม่ให้ละได้ทีนี่คือทุกข์นี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ให้ละ ทุกควรกาหนดรู้ให้กาหนดรู้ทุกคือเอาทุกมาเป็นอารมณ์ใช่ไหมแต่เล่าไปพยายามละทุกมันผิดมันไม่ถูกพพุทธเจ้าบอกว่าทุกเนี่ยให้กาหนดรู้ก็เอาทุกมาเป็นอารมณ์ใที่แรกเราเอาพุตโธพุตโธเป็นอารมณ์ใช่ไหมที่เอาทุกเนี่ยเรามาเป็นอารมณ์กำหนดรู้ทุกเนี่ย เอามันทุกข์ขนาดไหนมันทุกข์วิธีไหนบ้างมันเก็บมันปวดแบบไหนบ้างเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์ซะว่างบริกรรมทุกข์เป็นอารมณ์ซะนี่เมื่อมันมีทุกข์เป็นอารมณ์แล้วสมาธิมันจะตั้งมั่นอ่ามันจะทั้งมั่นเมื่อมันเมื่อมันตั้งมั่นเมื่อมันเข้าไปถึงอุปจาระหรือว่าอัปปนาสมาธินั้น ทุกเนี่ยมันจะไม่ปรากฏที่นี่มันจะเปลี่ยนไปเป็นสุขหรือเป่าสุขในอัปปนาสมาธิเนี่มันยังไม่มันเนี่ยมันยังไม่วางมันแต่เราจะไปนึกให้มันละให้มันวางเองมันมันยังไม่วางเพราะมันยังไม่เข้าไปถึงจุดของมัน ท่านทุกควรกาหนดรู้เอาทุกข์มาดูเอาทุกข์มาบริกรรมเอาทุกข์มาเพ่งเนี่เมื่อสติมันกล้ามันมันกล้าอยู่กับการเพ่งทุกข์เนี่ย ก, กับการดูทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยนั่นแหละมันจึงจะทะลุไปผ่านไปเป็น ทุกข์ดับไปสุขเกิดขึ้นทุกข์ดับไปสุขเกิดขึ้นถ้าเราไม่กำหนดรู้เราก็มิแต่อยากจะให้ทุกข์มันดับไปมัน กันั้นแล้วมันก็อยากนั่นแหละอก็มันก็อยากกันเรียองนั้นแหละอยากให้ว่ามันเสียอยากอะไรมันเป็นความอยากกังวลอยู่นี่ท่านท่านจึงเรียกว่ามันเป็นราคะมันเป็นมันเป็นกาวมฉันทะคําว่ากาวมะฉันทะคือความพอใจในในสุขก็ตามในทุกก็ตาม ก็เป็นกามสันธาเหมือนกันแไปพอใจอยู่กับการอยากจะให้มันเปลี่ยนจากทุกข์เนี่ยเนี่ยก็เป็นกา ร, รมสันธะรู้ทุกข์ยิ่งยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นนเพราะฉะนั้นคือวางวางวิถีอันนี้ทุกข์กําหนดรู้เอาเมื่อมันทุกอกมาก็กําหนดรู้เอาทุกข์เหล่ามาเป็นอารมณ์ซะสุดท้ายก็ มันจะผ่านทุกไปได้ด้วยการกาหนดรูทุกเดี๋ยวมันละละเหตุละความอยากให้ทุกขโดยช น, นะด้วยปัญญาหรือด้วยการเออเอาชนะด้วยปัญญาเอาชนะด้วยสมาธิด้วยฌานนี่แหละการเพ่งทุกนี่แหละ ว่าชาณะคือการเพ่งเพ่งทุกเป็นอารมณ์มก็เป็นชาญต่อเนื่องกันไม่ไม่เปลี่ยนไม่ถอนไม่ถอนจากการกำหนดรู้ทุกไม่ถอนจากอารมณ์ของทุกเนี่ยมันก็มันก็มาเป็นฐานของสติที่จะให้สติมั่นคง ที่ท่านบอกไวใ้ในในสติฐานสี่ฐานที่ตั้งแห่งสติแห่งการกำหนดการระลึกให้ความระลึกลูกมั่นคงระลึกลู่ในกายเวทนาจิตธรรมเวทนาคือ ท, ทุกทุกขวเวทนาจิตเนี่ยคือความนึกคิด คิดตามผู้นึกคิดนึกคิดกอมานึกคิดในทุกนี่นี่จริงๆว่ารวมรวมรวมฐานทั้งสี่เข้ามาเป็นอันเดียวกันรวมกายเข้ามาในทุกขเวทนารวมความนึกคิดก็มานึกคิด อยู่ในทุกนี่รวมพร้อมทุกในทุกเวทนาก็าอยู่ในอันนี้ถึงว่ารวมสี่ลงมาเป็นอันเดียวที่นี่ถ้าจะแยกไปที่ท่านบอกไว้ต า, ายเวทนาจิตธรรมธรรมก็คืออารมณ์ธรรมอารมณ์ อารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตก็ให้มันอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอันเดียวซะอารมณ์แห่งทุกข์นี่นเป็นอารมณ์อารมณ์เครื่องลูกของใจเครื่องระลึกของสติเครื่องนึกคิดของจิตถึงว่ามันประชุมลงอันเดียวกันแต่แยกอาการที่ท่านบอกไว้ฐานที่ตั้ง ของสติที่ฝึกที่อบรมสติให้กล้าและก็มาอริยะสัจสี่ทุกสมุทัยนิรวดร์มากทุกคนกำหนดรูปแต่ทุกมันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าอะไรมันเป็นทุก์อะไรเป็นสุขสมุทัยคือเหตุคือความอยากนี่ก็มารู้เท่า ความอยากมาพี่หน้าความอยากส่วนนิโรธนั้นเป็นผลมันทุกข์มันดับไปแล้วมันเกิดนิโรธที่จะมาลู้ที่จะมาลู้ทุกข์มาลู้สมุทัยเอาอะไรมารู้อาสติสมาธิปัญญามาที่นี่มันถึงมันถึงไอ เปลี่ยนมาเป็นว่าจเจริญสติสมาธิจเจริญปัญญาก็จะไปรู้รู้ทันเหตุรู้ทันเหตุละเหตุทุกข์ก็ดับไปทุกข์ดับไปมันก็มาเป็นนิโรธคือความรู้แจ้งในทุกข์ดับทุกข์เมื่อเราฟังมันจะสับสนอยู่สี่อย่าง แต่เมื่อโดยธรรมชาติมันจะรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวคือสติปัญญาก้าละสมุทัยแล้วความอยากทุกข์ไม่มีเออเออเออละสมุทัยที่นี่มันจะไปว่าละสมุทัยก็ไม่ก็ไม่ถูกเอาเนี่ยมามาทำสติ อันนี้แหละมาเบื้องต้นนี่แหละมาทำสติกับจิตเนี่ยมันต่อเนื่องกันให้เป็นอารมณ์มันเดียวให้ได้เมื่ออันนี้มันนี่แหละมันมันจึงจะอันนั้นมันเป็นมันเป็นความละเอียดท่านพูดเรื่องละเอียดไปมั น, นยังจะวิ่งไปโน่นเพราะว่า ที่พระพุทธเจ้าท่านฝึกตั้งแต่เบื้องต้นนู้นตั้งแต่ท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่ายังชานให้เกิดขึ้นทีนี้เมื่อกิจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ท่านท่านรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันมันมีมาตั้งแต่ตอนนู้นต่อมาท่านทิ้งได้มาฝึกกับอาจารย์ อราราดาบทอารามโคตรก็เรียกว่าเจริญสมาธิเจริญฌานเนี่ยมั่นคงแตมงม่มันยังไม่มันยังไม่สิ้นทุกมันยังมีทุกอยู่แต่เมื่อพระองค์มามาดูมาวิจัยวิจารในรูปนามกายใจในสมาธิสมาบัติเนี่ย ที่นี่ปัญญาเนี่ยถึงมาถึงมาเกิดปัญญามาเข้าใจความเป็นจริงของสมมุติทั้งหลายถึงว่ามารู้มารู้ขันห้าเนี่ยแหละมารู้กายมารู้จิต มาลู่สังขารมาลู่วิญญาณอาการที่มันออกจากการ น, นี่ถึงถึงถึงมาลู่มาลู่ตัวนี่ที่เรียกว่ามาลู่ตัณหามาถอนตัณหากับทั้งมวลล่าด้วยปัญญารวมแล้วก็เรียกว่ามาลู่สุขลู่ทุก ามาลู้มาลู้กิดเนี่ยมาลู้ ก, กิจมาลู้ผู้ลู้หรือว่ามาลู้ใจนี่แหละว่ามันเป็นความจริงของแต่ละอย่างละอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงมามีสมมติที่ว่ามาพิเณนาปัญญยการอาวิชชา สังขารวิญญาณนามรูปอายตนะอุปทานสุดท้ายมันก็มาลู้ผู้รู้มาลู้ใจมารู้ใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมันที่มันไม่มีอะไรแต่ว่ามันยังมีความไม่รู้ ตามความจริงอยู่ทีว่ว่าอวิชชาเมื่อมันมาลู่ตามความเป็นจริงแหละเขาเรียกว่าถอนอวิชชาถอนอวิชชาถอนความอยากถอนอความหลงอะไรอะไรเนะี่ะด้วยความรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยด้วยปัญญาจริงเป็น อกุปรธรรมเป็นธรรมที่ไม่กำเลิกหรือว่าเป็นใจที่ไม่มีสิ่งอะไรเข้ามากำเลิกให้เศร้าหมองขึ้นมาอีกยิงเดีย ว, วรวมลงสู่ธรรมธาตุสู่ความเป็นธรรมแห่งธาตุรู้มันก็เป็นของมันเองเด้ย เป็นทองมันเองจากมัจจากสติปัญญาที่เพ่งที่ารณาละ่ะแต่ว่าอย่างไรก็มาใช่ความเพียนใช้ความเพียนภาวนาเพ่ง นี่แหละพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละไปให้มันต่อเนื่องกันท่กันเห็นกหมว่าเอานี่อาหารเครื่องแก้ความหิวเนี่ยมีอยู่แล้วนี่ข้าวนี่แกงนี่กับนี่พระเจ้าบอกไว้แล้วกินซะวริโภคพซะนี่ มันก็มีแต่หน้าที่ที่เราจะบริโภคกันการบริโภคคือการกะระทาการเพ่งการกําหนดของเราเนี่แหละาหารกินเข้าไปกินแบบแล้วมันจะอิม่มหรอกแต่เรากินเข้าไปกินเข้าไปมันอิม่มกรูลุก้ะู้เองเห็นเองท่านหนึ่งว่าทำที่ตัดไว้ชอบแล้วสุดท้ายกับปัจจันปัจจตังเวทิตะโพวินโยหิต ผู้เองเห็นเองคนทุกเองเข้าใจเองละ่ะผมงเงนไม่ต้องไปถามใครลแล้วไอ้นี่มันยังไม่ยังไม่กินยังไม่อิ่มน้องถามกันอย่างนี้ละ่ะถามกับถามเป็นอุบายแห่งการดำเนินมันก็ถูกมันก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าจะให้มันอิ่มมันเต็มเองเยก็ มันเขาเป็นเองล่ ะ, จะเจริญมัชเต็มที่แล้วโสดามัชสกิทาคามัชอนาคามีมัชอรหัตมัชเป็นการดําเนินเมื่อดำเนินโสดามัชเต็มที่มันอิม่มจะเป็นโสดาผลอดําเนิน สกิทาคามั ก, กมาเพียนามาเพียนาราคะปฏิฆะมันเกิดอยู่ที่ไหนมันอะไรมันเป็นราคะเป็นปฏิฆะความหงุดหงิดใจความไข้ความกำหนัดในใจในกิ่ความไข้ความกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสใน วัตถุสมบัติทั้งหลายทั้งพวงมในลาบยศชนละเสรนอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในนี่แหละมาพิจารณามาทำความรู้เท่ารู้ทันแยกแย่งนี่เรียกว่าเจริญอนาคามีอสกีทาคามัคเมื่อมันเต็มมันวางมันราคาปฏิฆาเนี่ยมันสิ้นสุดไปไม่มีในกิจแล้ว มันก็เป็นสกิทาคาผลามันยังไปติดอยู่ในรูปยังไปติดอยู่ในรูปประชานอรูปฌานที่เรียกว่ารู ป, ป ร, ราคะาอรู ป, ป ร, ราคะ มีความไข่ความกำหนัดอยู่ในความดูความเห็นความสุขในสมาธิสมาบัตินั่นก็มาค้นมาเทียนาด้านปัญญาออกเียนณาขันห้าในด้านปัญญา <c oughs> ก็มันมารู้ สมมุติทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วเมื่อมันทำลายมันข้ามรูปราคะอรูปราคะมันก็เป็นสขาณาคามีผลแต่มันยังไปติดอยู่ใน สมมุติในมานะในอุทจาคมานะอวิชาคือมันยังไม่แจ่มแจ้งมันยังไม่รู้ขันห้าตามเป็นจริงแจ่มแจ้งก็มาพิเอนาขันห้าให้รู้ตามเป็นจริงแหละรู้ รูปรูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมาลูกผู้รูกสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตามเป็นจริงแลอ้อถอนอวิชชาที่ความไม่ลูกกายเปลี่ยนเป็นความลูแกแจ้งแทงตลอดในสมมติ ในลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในผู้ลูกลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงมันก็ไม่มีตัวตนถอนความเป็นตัวตนถอนอัตานุทิฏฐิความเห็นว่าตัวว่าตนว่าสัตว์บุคคลเราเขาทั้งหมด <c oughs> ่เป็นปัญญาแจ่มแจ้มนั่นแหะมันจริง มันจึงจะรู้ว่าไม่มีภพมีชาติไม่มีอวิชชาัจึงจะรู้ว่าอวิชชาสิ้นสุดไปหรือว่าความเมิดสิ้นสุดไปเหลือแต่ความสว่างกระแจงกระจางแก้งด้วยปัญญาปัญญาวดตปาฏิวิชาวุตปาฏิอาโรโกดุตปาฏิสว่างโล เป็นพุทธะความรู้นี่แล้วสว่างความในความรู้นี่แหละนี่มันก็เป็นปัจจิตังชอบอเอาละไอะ้ภาวนาวันนี้ละพุโทโธพุโทโธมันแนวแน่ก็เอาเลย ต้องไปสงสัยอย่างอื่นละฮะลงธรรมาจะกันไหมไม่ได้ให้พรตอนตนะ สามจบก่อนวางวางนิไัยก่อนกรานมน้อมน้อมก่อนกราบคาวะต่อองค์พือประทังผสมพร้อมกันครับกาวนโมพร้อมกันครับนะโ ม, ต, ะมะโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุต a สะนามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุ s a สะปุถะปะมาเถนะ ท้าวราตเยนกตังสาพะอัปรารังคามตโนพันเตธรรมเมปมาเทนะท้าวราตเยนกตังสาพะอัปรารังคามตโนพันเต สังเขปามาเถนะดาวาระตเยนกาาาคาตังสัพภาอภปราทางคาตุนอพันเตทุกท่านมอบลงพร้อมมอบไว้จะให้เข้ามา ออมกันอหังขามามิทุเมเหหิเเมขมิตตะบงเอวังหอตุเอวังหตุโยชปุเมปมชิตวาปะซาโนะปมะจติโซมังโรกังบพาเสจพามุโวจนิมายัสสะปปังกตังกมังกุสเรนะะยติโซมังโรกังบ ภมตโตจมาอพิวาชนาสีริสนิจังวุฒาชายโยัตตาโรธรรมาวัฏติอายุอนโนสุขังภะลาอภาวนาต่อไปเลยนั่งเลยหาความสุขกับการภาว น, นา หาความสุข ก, กับเ น, น, น, น่อื่นมันยังเคยสุขแท้สุขกับพ่อหนาสุขเน่วอื่นมันสุขทุกหลายก็สุข อื่นเจ็ดโมงสายบาทคือเก้าแล้ว อ, อ, อาให้ พ, อ น, อ, อ, พอนิยให้พอนุทิศเยอรับพอนุทิศบุญกุศลนุทิศบุญที่ได้ภาวนาที่ได้ถวายทานที่ได้ภาวน า, าเจริญเมตตาภาวนา เพื่อแผ่บุญนี่ไปถึงผมมีพระคุณทั้งหลายน้อมนึกระลึกอธิษฐานน้อมถวายเป็นพระราช ก, กุศลแดล่องค์พระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ท, ที่พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตสู่สวรรคารพระองค์ท่านมีพระคุณต่อพระศกนิกร ต่อแผ่นดินไทยที่พวกเราได้อยู่อาศัยมีความร่มเย็นผาสุขตามสมมุตินิยมแห่งโลกนี่พระ อ, อ, องค์ท่านก็ได้อุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้กระทำและก็อุทิศถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์พระบรมมหากษัตริย์เจราจจในอดีตทุกๆพระ อ, องค์ และบรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายปู่ย่าตายายญาติชนิดมิตรสหายรวมถึงสัพรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมทุกข์ด้วยการเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขจากการกระทมของพวกเรานี่เรียกว่าอุทิศส่วน แห่งบุญกุศลความดีที่เราได้กระทำแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทังที่กล่าวมาก็ไปตั้งใจอธิษฐานในจิตใจ <c oughs> ยถ า, าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวอิตโตดินนางเตตานางอุปกะปติอิเอชตังปฏิตังตงุมหังคิะเมวสมิสตุ สัมเบโพเลนตุสังกปายันโอปนรโสยะถามณีโสติลาโสยะถาโยมิวานโทสัพพะโลกะอันเตมบวารวันตรโยสุขิดี ยโกะปาวะพิวะธนสิริจามุทัตเวชานจเวชานัมมาราติอายุวันสุขังอารายันคนาคินานินาสังกัม อิติตะทิการัตตังอิตยะสะธานัสุปะกัปติโสยติธัรมโอเจยานินัสิโตอินทานาภะชะกตาอุรังามารัาปิโกนมานบนินังตุเมปุญญบสุตังอนัป เทวตุสาปมังกรังรักขตุสัมเวตาสาาโมธานุภาเวสนาโสทพวันตุเตอวะตุสมังกรังรักขตุสัมเวตาสาาัมมาณุภาเวนสานันตุเต อาวันตสาปะมะลังลักมะเนวตาสาสงกานุาเวนะชนะโสตีอวันตุเตสุเป็นสุอะกันละบกันพร้อมกัน เสียงก็เลี้ยน้อยๆแรงเสียงหมดแรงตาย สิบยังกำลังหลายสิบสี่สิามนงหลายก็เล่ยแล้วล่ะในในออกเขาตั้งหออกตั้งฐานเลยลูกค้าสองที่แรกมันมาหน้านนตั้ต้งข้าวลาเลยลูกค้าสองสองเออ เบิร์ตแห้งเบิร์ตยูคอนโดตล้งะม่ไดนั่นเป็นนอ